วันนี้พวพุทธบริษัททั้งตรุษัสแต่บรรดาชีพทั้งหลายจงพากัรสร้งอยู่ในความสงบเพราะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งของพุทธศาสน า, าของเราเชาพุทธบริษัททั้งหลายที่งมีความประลบความเรื่องไกลในสัพพุทธธรรมประสงค์ จึงได้มีสัทธามารวมเสน่สโมสอนทีนี้เพื่อจะฟังเพื่อจะถวายถ้าอาบน้ำฝลตามการตามสมัยที่พวกเราทั้งหลายเคยกราทกันมาทุกปีนี้เลยานวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเป็นนั่นเหมือนกันฉะนั้นบนรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย มสสาอัดจิตการฟังธรรมในที่นี้มันก็มีความลําบากมีความทุกข์เป็นธรรมดาของธรรมชาตินั่งก็เป็นทุกข์เพราว่านั่งโดยาการคารพนั่งโดยการคารวะต่างตายมันก็เป็นการที่บางคับตายบังคับจิตไปนในตัวของมันอันนี้ก็ดีเมือนกัน มันจะได้เห็นีิเดสมันจะได้มีโอกาสเห็นกีเดสของเรามันจะมีมันจะได้เห็นโอกาสไม่ว่าการงานในทางโรคและการงานในทางธรรมจะต้องปฏิบัติไปโดยธรรมคือธรรมะเรียกว่าสาันติธรรมคือความอดทนความอดทนอันนี้เป็นแม่บทสิ่งทั้งหลายทั้งตัวคือ ต้องอดทนทางกายการในนั่ ง, งไม่เคลื่อนในไหวไม่ได้ตามป่าถนานั่นก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าทุกข์ทางกายมันเกิดขึ้นมามันก็เกี่ยวโยงไปถึงทางใจด้วยเมื่อกายเป็นทุกข์ใจมันก็ไม่สบายเพราะว่ามันเป็นเครื่องสําพันธ์กันอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถึงแม้อย่างไรก็ตามเถอะ ให้เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกส่วนในอวัยวะร่างกายนี้จิตที่เป็นผู้สำคัญที่สุดจิตเป็นผู้รับภาระหนักที่สุดกว่าสิ่งอื่ น, นในสกลร่างกายนี้จิตเป็นผู้รับภาระทุกสิ่งทุกประการฉะนั้นเมื่อจิตของเราไม่มีกำลังเมื่อจิตของเราไม่มีปัญญาสามารถจะ ทลายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เช่นมาตาของเราไปดูรูปมันประสง่งไปหายใจหูของเราฟังเสียงมันประสงคงไปหายใจเป็นผู้ทํา ง, งานจมูก ร, ร้อนกลิ่นมันประสงค์่งไปให้ยใจเป็นผู้ทํา ง, งานนิ้นริมรถมันประสง่งหายใจทํางานโพธาปะสุกซ่องทางกายเป็นต้นมันประส่งไปหายใจทํางาน บางอาที่บางอารมณ์ที่บางเกิดกับใจนั้นมันก็หายใจเป็นผู้ทํางานเมื่อรวมความแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะร่างกายนี้เขาจะมีหน้าที่ทุกๆหน้าที่ที่จะต้องทําตาก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งหูก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งจมูกก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งอื หูก็มีหน้าที่อย่างร่างกายมันก็มีหน้าที่อย่างจางคนต่างหน้าที่ทั้งหลายมีอยู่แต่ว่าหน้าที่ทั้งหลายส่วนนี้ภาอิจตนะภายนอกอส่วนดวงก็ไปส่วนกลางมีส่วนใหญ่ให้จิตเป็นคนที่ทํางานคนเดียวชนนจิตของเรานี้จึงเป็นภาละหนาที่สุดที่จะรับความผิดชอบในเรื่องตาเรื่อหูหรือจมูกลื่นกายที่ส่งกมานั้น มันไม่รับรู้มันตรงเข้ามาเท่านั้นแหละงานเขมันมีเท่านั้นโมันก็มีเท่านั้นมันรับแล้วมันก็ตรงเข้ามามันไม่รู้เรื่องมันไม่รับความผิดชอบประคาทตรงนั้นแหละริ่นก็ดีกายก็ดีเป็นต้นมันรับตรงเข้าโรงงานเลยมันก็เฉยมันหมดภาระมันแล้วนะมันจำเป็นมันก็ไปเป็นภาระอยู่ที่ใจฉะนั้นใจนี่จึงไม่ค่อยสบาย ใครๆก็ไม่สบายใจโดยมากกับขมาหลวงพนอโนบะโพงมาตราบหลวงพ่อวัดมาทำไมอีสารไม่สบายใจเพราะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหูมากระทบมากระซรงขมาจะมูกกระทบอะไรมากระซรงขมาทีนั่นเนี่ยอืฉะนั้นคนไม่สบายใจแล้วจึงเข้าขมาหาวัดจึงเขมหาครูบาอาจารย์แก้ความทุกข์ยากลำบาก เพราะว่ามันเป็นอะไร อ, อันนั้นแหละการฟังธรรมนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เราจะมีท้าอาบนางฝนมาถวายเครื่องสังฆราบูรามาถวายแล้วก็เป็นสัตว์แต่ว่าอามิสบูชาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างมากแต่ว่ามันไม่ยิ่งทำไมถึงพูดอย่างนั้นมันมากแต่ว่ามันไม่ยิ่ง คือมันพุ่มทุกไม่ได้ฉะนั้นธรรมปฏิบัตินั้นอนิสาบูชาปฏิบัติบตูชานี้มันนำทุกออกจากใจเราได้เมื่อเราไปประพฤติปฏิบตัติเข้าไปเห็นความเป็นจริงแล้วมันประหมดฉะนั้นเมื่อพูดตามส่วนเราเราเราทุกคนนั่นน่ะที่มาในสลาลุนธรรมปางธรรมอยู่ในวันนี้ไม่มีคนรวยมีแต่คนทุกข์ นะคนพอแล้วก็ยังไม่มีมีแต่คนไม่พอนะแต่ว่ามีคนมากน้อยกว่าการแต่ว่ายังไม่พอสักคนหนึ่งคนรวยแล้วก็คนอื่นเพราะว่าที่เจ้าของนั่นไปถามแล้วก็ว่าไม่รวยในเมืองกบลนนี่นอกจากเมืองกบวนในนี่ไปถึงเมืองนอกอัตมา ก, ก็ยังไม่เคยเห็นคนรวยยังเหลือแต่คนยังไม่พอ คนไม่พอเนี่ยเยอะไปมีคนพอไม่พอนีอันนี้เป็นเพราะอันไรเป็นเพราะเราไม่พิจารณาสิ่งที่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นมานี้ให้รู้เท่าตามเป็นจริงของมันเพี้ยก็คิดว่าคนนั้นเขารวยกว่าเราเราก็ไม่สบายใจดูคนหน้าเขากรวยกว่าเราอีกก็ไม่สบายใจวันหนึ่งเมื่อปีที่สองปีที่แล้วมาโยอม บุปถ า, าอาตมาจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยตั้งคืนมามขโมยรถคันหนึ่งไปก็วิ่งมาหาตาไม่สบายใจหลวงพ่อรถคันเดียวเขาก็เอาไปแล้วทิ่ขันจะไม่มีอะไรแะแล้วพวกเด้วน้ำตากระยดลงน้ำตากระยดลงนะอย่างนี้เลยแก้ทุกข์กันไปสักประมาณสัก1ิบนาที แล้วก็มีโยมตาบลตำขวงมาหาอีกคนนบ ม, มากราพงทํทำไมหลวงพ่อเมื่อวานคืนนี้บ้านผมตายสี่คนทำไมเมียผมตายลูกผมกตายตายหมดสี่คนเลยครับทำไมกินแจงเหตดมันเหยือเห็ดไม่ตายอทนนี้โยมมาสมาที่อยู่ร้อยเอ็ดนั้น นี่หน้าบานขึ้นไปหน่อยนี่อาตมาได้ถทำอรมาโยมเปลี่ยนคันเอาไหมรถหายคันหนึ่งกต่คนตายสี่คนเปลี่ยนคันเอาไหมอือมีว่ายังไงนี่คนคนที่รดหายนั่นเลยหัวเลาะเป็นมาเลยแต่รถยังไม่ได้มาเลยนะดีใจแล้วก็เพราะว่าเขาตายสี่คนมันหนักตัวเราแล้วหรือเบา ทั้งรถยังไม่ได้มาเลยหัวรเราะกันได้ทีเดียวว่าเอ้านั่นชีวิตคนเขาตายไปสี่คนมันมาักกว่าเราแล้วไอ้คนที่รถเสียทันนึ่งได้เบาขึ้นได้หัวเราะนี่นี่แหะคือความคิดมันเปรียบเทียบกันได้อย่างนี้ก็คิดว่ารถเราเสียไปแต่เราไม่ตายมันก็ยังดีนั้นชีวิตเขาสีคนตายไปเอาคืนมาไม่ได้มันหนักกว่าเราเรื่องเกินเราได้เป็นของเบาขึ้นมาเนี่ มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรรถคืนมานะมันหมดคุกพอจะเห็นสิ่งอื่นมันมากกว่าเราแล้วเรืสบายแล้วเท่านี้แหละเข้าใจว่ารถาปัญหาไปตัวเรายังอยู่หาอีกได้ไอคนที่ตายไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้มันยิ่งหนักกว่าเราคิดเท่านี้เองแหละคิดถูกทางมั น, นคิดเปรียบเทียบเมื่อถูกต้องมันเลยสบายเลยอาณาโยมนะ ไอาจะมาก็แก้ไขว่าคนที่ตายไปสี่คนนี่นายโยมนะเพราะเขาเกิดมาสี่คนเขาก็ตายไปสี่คนนะเมีใครยังเกิดมาอีกเขาก็จะตายอย่างนั้นนะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจเขาเปลียนเขาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าตั้งแต่สี่คนเลยเกิดมาทุกคนจะต้องตายทุกคนเท่านั้นอืม ไม่ต้องเชียใจเพราะเขาเป็นอยู่อย่างนี้เขาไอคนที่รถหายไปนั้นก็ไม่ต้องเชียใจมันแล้รถยังมีเยอะแยะไปรถที่คันมันหายไปนี้เราก็นึกว่าจะหาเงินมาซื้อมันไม่ได้แต่ก็ซื้อมันได้อันนี้เมื่อมันหายไปแล้วก็นึกว่าจะหาซื้ อ, อได้ได้ไดอีกหลายคันตัวนี้ทุกทุกคนก็เลยเกิดความสบายใจไปเอาละ ลูกที่มันตายนั่นก่อนเสดายกับจินจัตไม่สรดสังเวชมันจะทําไงได้ละ่ะเราทุกๆคนไม่ว่าไม่ว่าไอเมียเราลูกเรามันตายน่ตัวเราก็สมัด ต, ตายอยู่เดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ถึงเวละเราเท่านั้นเองอันนั้นเขารัดคิวเราไปก่อนเนี่ยเขาเร็ว น, นี่เรายังอยู่เนี่ยก็มีราคาเสมอกันทางนั้นอันนี้พูดถึงความทุกข์ของเราเกิดขึ้นมาเพระบาไปทุก ตับสโน้นสิ่งนี้ทุกวันนี้ผมมันตันการที่ทุกเพราะลูกโวยมากเพราะลูกหลานอันนี้เป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายนอนไม่ได้กินไม่หลับเพราะลูกมันสอนไม่ได้ลูกมันดื้อครูก็ไม่สบายใจชอบเด็กนักเรียนมันดื้ อ, อ, อไม่รู้ว่าจะทำยังไง ไม่ว่าเจเด็ดนักเรียนนี่ครูเจ้ครูก็ยังวูดนวายกันอีกมันก็ยังดื้อมันนี่เป็เรื่องทุกข์กันไปหมดทั้งนั้นแหละไม่มีใครเป็นสุขเลยถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์มากเกินไปเดี๋ยให้พวกเราทั้งหลายเอาสิ่งที่มันควรจะได้นะสิ่งที่มันควรได้แก่เราเราเอาสิ่งนั้นอย่างเรามีเรือลำเล็กเล่ากับบรรทุกไป ห, หลายๆเที่ยว จะไปบรรทุกเหมือนเดือดรำใหญ่ๆเขามันก็ไม่ได้ทุกคนเราทุกเพ่อรูปงที่มันเกิดมามันสอนไม่ได้เราได้ดูตัวเราด้วยเปล่าตัวเราเป็นยังไงเป็นหนุ่มมันคิดอย่างไรเป็นสาวแล้วมันคิดอย่างไรนะดูเราใช้ก่อนเราก็เป็นคนขนองอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันยังมีธรรมชาติ เรื่องแวดแล้อมันมันไม่นักอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้มันหนักจิ่งไปกว่า น, นั้นแต่หากว่าเรามันคุ้นเคยพิจารณาไปแล้วมันก็จะหายคนแก่ตามเมืองอุบลเราลูกลูกห ล, ลานหลานเมืองอุบลเรานะประยุกต์มันมาถึงข้าใหม่ๆนุ่งน้อยห่มน้อยนะคนแก่ไม่อยากจะดูเลยรังเกียจมาก เอ๋อสต่ ม, มันทำมันเปรตมันสีอย่างนั้นอย่างนี้นะทุกวันนี้รู้มันใเฉยๆตัววันนี้ด้วยไงก็เป็นยังไงอะลูกเราก็เป็นเข่าลูกเขาก็เป็นเขา่าเมียเราก็เป็นเข่าเมียเขาก็เป็นเข่าเลยแล้วนี่คือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เราจะไปวุ่นวายกับมันมากมายเลยลูกของเราให้มันเรียนเยอะสอนมันไป มันได้แค่ไหนเราก็อาแค่นั้นแหละนะเมื่อเราตายไปแล้วนั้นเมื่อมันทําไม่ดีมันจะทุกข์มันเองหรอกเราไม่ได้กลับมาทุกข์กับมันหรอกให้เงินมันแสนหนึ่งล้านหนึ่งให้มันมีทุนไว้มันจะไปเล่นไพ่หมดโดยไปช่างมันเถอะเมื่อเราตายไปแล้วเลยมันมาทุกข์กับมันหรอมันทุกข์มันเองมันหรอกถ้ามันเป็นคนดีแล้วไม่ต้องลงทุนมันมากนะสอนจะปากเปล่าให้มันเข้าใจตอนนั้นแหละ มันก็ดีเมื่อคนมันดีไม่ต้องทำอะไรมันมากถ้ามันไม่ดีแล้วมันจะไปจบมหาวิทยาลัยมานั่นมันก็ยิ่งไม่ดีแล้วไอ้ความดีมันอยู่ตรงนั้นฉะนั้นเราจะไปปรับปรุงให้มนุษย์ทุกๆคนดีด้วยกันหมดตรงนั้นมันก็ไม่ได้แต่ว่าสมัยนี้ควรควรที่จะปรับปรุงแล้วประเทศชาติบ้านเมืองก็นล๊วันนี้นะ ควรเปลี่ยนแปลงแล้วควรยึดตัวถึงมันเลือดร้อนทําไมอะไรมันเดือดร้อนเพราะอะไรกันไหมทําไมลูกหลานพูดไม่ฟังคาพ่อแม่เด็กนักเรียนทําไมไม่ดุจิไม่เคารพครูบาอาจารย์เพราะอะไรนี้อันนี้มันเป็นเพราะอะไรถ้าจะพูดไปตรงไปตรงมาแล้วมันเป็นตาพ่อแม่เท่า น, นั้นเองพ่อแม่เฉยๆไปเนี้ย บำรุงบำรเรอรูกจนให้มากมากเอาใจมันทุกอย่างแม่ครับพ่อครับอ่อนน้อมมันเยอะเกินเลยมิจะทําอะไรก็ให้ตามใจมันทุกอย่างเมื่อมันโตมาแล้วน่ะมันก็ไม่เชื่อเราไม่ฟังเรานี่เพราะความรักความรักนั้นแหละมันเป็นโทษความรักมันเป็นทุกข์ความรักนั้นมันเป็นเหตุมันเป็นแคงอย่างนี้ ไอความรักนั่นนะ่ะไอรักเหมือนพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนสาวกของท่านท่านรักสาวกของท่านตัวสาวกจะเป็นทุกข์หลายนอนมากอย่าไปนอนมากวันเลยกินมากจะไปกินมันมากเลยอะไรทุกอย่างทัานทาไม่น้อยน้อยเท่านั้นแหละอืมน่ะท่านดูพระเจ้าผสมท่านท่านสอนท่านรักลูกของท่านพระพุทธเจ้าน่ยสอนเนี่ยมากน้อย ให้สันโหลดอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในตัวเองอย่าไปทำอะไรที่ให้มันเป็นโทษแก่เจ้าของให้โทษแก่ผู้อื่นท่านสอนท่านนั่นเนี่ยเรียกว่าพระพุทธเจ้าสันรักรูปของท่านสอนคิดไม่ร่ายสอนจนลูกของท่านผู้ฟังทำท่านประพฤติปฏิบัติตามท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีปฏิปันโน เป็นพระอริยะบุคคลทั้งนั้นนี่เพราะท่านรักลูกของท่านโดยธรรมะแล้รลักลูกของท่านโดยหลักธรรมะเช่นนั้นแล้วท่านจะปล่อยไปที่ไหนก็ได้จะปล่อยไปในป่าก็ได้ไปในกุงก็ได้ไปที่ไหนก็ตามดีเที่สุดไม่เยอะใหญในสมบัตเิเจ้าของแล้วไม่เยอะใยในสมบัติคนอื่นแล้วไม่เยอะใหญในสมบั ต, ติของเทวดาแล้ว จะไปทิศไหนก็สบายใจไม่เป็นทิศไม่ไเป็นไัอันนี้หลวงพอรายเจ้าสั่งอนท่านรักลูกของท่านท่านต้องสอนท่านต้องเชี่ยนท่านต้องว่าท่านต้องกล่าวมันแสบวดมาใหม่ๆใช่ไหมให้เจษารมานาาทันตาต า, ตาจอขี้ปไปไปเถอะขี่ไปในตรงที่มันเห็นเห็นอยู่นั่นแหละผมไม่งามผลไม่งามเล็บไม่งามฟันไม่งามหนังไม่งามเห็นไหมแล้ว เห็นไหมเห็นตามเป็นจริงไหมเราเห็นว you know. mm ่า hmm. มันสวยมันงามพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่สวยไม่งามตรงกันข้ามเลยให้ภาวนาพิจารณาอยู่สารพัดอย่างอันนั้นท่านลูกสึกด้วยท่านสอนลูกของท่านโดยธรรมะของท่านเกิดเป็นลูกของท่านทุกคนแล้วเป็นต้นนะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเป็นผู้สอนตนเองนะเจ็บไปในตัวเลยเมื่อตกกระแสพังปะโสดาบันแล้ว พ้าพุทธเจ้าสัน็ปลอยแล้วไม่หนักแล้วจะมีพันหนึ่งก็ช่าแสนหนึ่งก็ตามเนี่ท่านเท่านั้นเนี่ยอาจจะมา ก, ก็ยังเคยไปเทศให้เขาฟังอยู่ทางยุโรปว่าไอ้พวกศาสตร์ทั้งหลายนี่โดยมากมันจเจริญมาทางยุโรป ก, ก่อนมันจะแพร่ไปถึงเมืองไทยทุกทุกศาสตร์นั่นเองนะถ้ากันเรียนได้เถอะ รู้สึกว่ามันจะเดิน ม, มาทางชาวตะวันตกนี่มากแล้วก็แพร่ออกไปทั้งหลายเป็นชาวเอเชียทุกศาส ท, ทุกวันมันยิ่งอืลหลายศาส ท, ทุกศาตสแต่ว่าศาสทั้งหลายเหล่านี้ดีอยู่เช่นอาจารย์มหาวิทยาลัยเขามาสัมภาษณ์ศาตสของท่านมันดีอยู่แต่มัน ย, ยิ่งศาสของท่านทําไมถึงว่ามันไม่ยิ่งแต่ว่ามันดีอยู่ มีแต่พร่องดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าเอามาแบกไว้แต่ว่าไม่รู้จักทิ้งสร้างขึ้นมาแล้วไม่รู้จักแก้ไขให้คนจากความทุกข์สร้างธรรมะตรายิ่งทุกข์เรียนธรรมะทรายิ่งทุกข์พูดก็เก่งพูดผูกเส่วยพูดเก่งเส่วยพูดดีเสดวยแต่ทำไม่ดีทะราะกันเสียงกันแย่งกัน ฉะนั้นศาสตร์นี้ดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งข้าพวกคุณทั้งหลายนั้นนะ่ะจะไปสรบฟังเอาศา ส, าสตร์พระพุทธเจ้าก็้ามาฝากคนเข้าสักห้าสิบเปอร์เซ็นนี้ศาสตร์ของพวกท่านทั้งหลายนี่จะดียิ่งขึ้นไปตัวนี้จะไม่เดือดร้อนจะทําประชาชนเราทั้งหลายมีศีลมีธรรมให้อยู่เย็นเป็นสุขให้เบียดเบีย น, ยนซึ่งกันและกันได้มีข้อศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นศาสตร์ที่เกียยว่าพุทธศาสตร์นั้น เป็นที่รวมเหีงศาสตร์ทั้งหลายความรู้ทั้งหลายเป็นรวมอยู่ที่นั่นถ้าไม่รวมอยู่ที่นั่นความรู้นั้นใช่ไม่ได้ความรู้นั้ น, น, นยุ่งเป็นต้นดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งศาสตร์พวกเธอทั้งหลายนั้นแต่ข้ายก็ว่าคนมีรู้จักเอาส่วนผสมกันขึ้นมาทำาปัญญาพิษ มันก็เกิดเมาเกิดเบือ่อเกิดเป็นพิษดีที่สุดแต่ว่ามันดีในทางเคม่ดีอย่างนั้นจะโฆษณาขายก็ได้ว่ายาพิษของข้าพเจ้านี่ดีมากเอาให้มนุษย์กินก็ตายให้สัตว์กินก็ตายให้อะไรกินมันก็ตายทั้งนั้นแหละเชิญพวกคุณทั้งหลายมาซื้อเถอะยาของฉันนี่มันดีมากจะต้องโฆษณาอย่างนี้อัตมาเลบอกว่าถ้าหาวามีอีกคนคนหนึ่ง ถ้าหากว่ายาพิษของคุณมันดีจริงๆน่ยขอให้คุณกินดูเถอะนะถ้าหากว่ายามันดีคุณจะยอมกินไหมสบายหนามกินไม่ได้ทําไมของดีไม่กินนี่แหละแสดงว่าศาสตร์ของท่านมันดีอยู่แต่ว่ามันไม่ยิ่งคือท่านทํายาพิษมันก็เป็นพิษจริงๆให้สัตว์กินมันก็ตายจริงๆแต่ว่าให้คุณกินคุณไม่ยอมกินนี่แหละดีอย่างนี้มันไม่ยิ่ง ไม่เหมือนศาสตร์พระพุทธเจ้าถ้ารับรองว่าศาสตร์ของเราดีเนี่ยาเราดีแล้วปรุงดีแล้วถ้ามันดีคุณก็ต้องกินได้อันนี้มันดีตายกันมันมีวุ่นวายกันมันดีเป็นทุกข์กันมันดีเป็นโทษกันมันดีทะเลาะกันอันนั้นมันไม่ดีซะแล้วมันดีของคนหลงซะแล้วเมื่อพุทธศาสนร์นั่นท่านไม่ตราสอย่างนั้นถ้าหากว่าเอคุณธรรมของท่านที่ศาสตร์ของท่านสรรเสริไว้ว่ามันดีแล้ว นั้นนี่ว่าท่านรับรองในศาสตร์ของท่านโดยจะไม่มีโทษศาสตร์นั้นแหละทําให้มนุษย์พุทธเวิสัตธ์ทุกชนหน้าพากันอยู่เย็นเป็นสุขมันเป็นเช่นนั้นอันนี้แหละการเกี่ยวแก่การทุกข์ไ อ, อความทุกข์ของพวกเราสังขหลายนั่นแหละมันเป็นเหตุทุกวันนี้อืมเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟังธรรมบ่าเมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นมานั้น ลูกเราเนี่ยมันไม่ดีน่ะก็เป็นทุกข์กับมันมันทำไมมันจะเป็นทุกข์กับมันมันทำไมมันถึงมันไม่ดีมันทำไมถึงมันไม่ดีจะทำยังไงหลานอาตมาคนหนึ่งมันเป็นลักเลงลูกอาอยู่ที่บ้านเนี่ยมันให้มาหาเนี่ยจะหาท่านอาจารย์มัไปแล้วมันเดือดร้อนเดียวกันแต่เราทำไม่ได้ มันก็าหาเป็นขโมยลักโจรลกักตะบู อ, อยู่ด้วยกันไปเข้าบ้านไหนมาเอะใครจะข่ากู ม, มาเนี่ยอีกไม่กี่วันนะเขาข่าเอาเชือกไนลอนมัดติดกันจลแค่น้ำมูลไหลมาแม่ไปดูเธยโย ม, มาไปเห็นก็ร้องไงจะร้องมันทำไมมันหาอย่างนี้นานแล้ว อมันหายอย่างนี้นานแล้วยอมมือจะยกมือใส่หัวซะดีแล้วลูกเอ้ยได้ตามปราถนาเจ้าแล้วดีกว่าก็ไปที่ไหนใครจะฆ่าตัวข่าเถอะนะมันไม่กลัวใครมันไปร่องเรี่ยงเ้าข้ามอยู่ทุกวันทุกวันมันหามาหลายปีแล้วมันในสมปราถนามันวันนั้นเ้าข้ามันในตามปราธนามันแล้วแม่ไปเห็นยังจะไปร่องให้ก็มันยังไปโง่กว่าลูกอีกมัน ยกมือเฉวดีแล้วลูกลูกปราถนามาหลายปีแล้วบัดนี้ลูกเลยสมดังปราถนาแล้วสาธุมมันก็เท่านั้นมันก็พอแล้วเราก็อยู่ที่นี่เขาก็อยู่ที่นั่นไม่ว่าแต่เราเลยพระพุทธเจ้ า, าท่านก็ภาคิงเหมือนกันมีนายเศรษฐีฝึกมามันฝึกยากเกิดก็มาเรียนถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระองค์เจ้าจะตู้กี่ท่านฝึกอย่างไรท่านก็เลยถามเศรษฐีว่า เธอฝึกมาเธอฝึกอย่างไรนี่ถามผูอื่นนะถ้าผมฝึกมาหากว่าตัวใดมันสอนง่ายกว่าให้มันกินยาหรือมากอืถ้ามันสอนง่ายเนี่ยทีนี้ถึงมันยากกว่ามันกินยาทีนิดหนึ่งถ้ามันสอนยากเต็มที่ให้มันกินแค่น้น้อยถ้ามันสอนไม่ฟังไม่ได้เลยฆ่าทิ้งเลยนะแต่ท้าโทษสอนตกผิดถึงวันจันกั์นั้นข้อนี้สอน มันง่ายมันกับวิปปิตนอยู่วิปปิันอยู่ก็อธิบายมันฟังพอสมควรมันก็เข้าใจมันก็สอนได้คนที่สามนี่สอนไปถูไป ถ, ไปถูมาก็เรียวกว่าภาษาเรียกระบาดสอนได้แต่ว่าถูไถถูไถพอถูไถไปถึงในการสอบโรงเรียนก็ได้ได้แบบถูไถนะ ทำที่ว่าถูไทเราฟังดูแล้วก็นึกออกแล้วว่ายังน้อยกว่า น, นังหุนมันเลิอกออกแอละลาบากลเลยเรียก ว, ว่าถูไถนี่แช่ว่าได้แต่ว่าถูไทยไอโฟนที่สี่ยังไงอ่ะไม่ว่าจะเราจะสอนเลยจะเอาไออะไรไปให้มันฟังมันก็ไม่ฟังนะมันก็เฉยอยู่อย่างนั้นมันไม่รูเรื่องเหมือนกับเราพูดการีไปพูดธรรมะให้เรียนฟังเถอะ นะมันก็เก่าก้นมันเฮ้ย่นัมันไม่รู้เรื่องแล้วจะเทศอย่างไีไม่รู้มันเรื่องของดินอืมนะจะทํามันก็อยู่อย่างนั้นน่ะท่านก็เออให้มันเป็นดินจ้ะมันเป็นดินไปนี่พระพุทธเจ้าปล่อยให้เป็นดีบากมันก็ทอดไปถึงดีบากเก่าเขาในดีบาสก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของเขาเป็นอย่างนั้นดีบากของเขามันเป็นอย่างนั้นอมันก็เป็ี่ยนของมันอยู่อย่างนั้นมันไปไปที่ไหนแล้วมันอยู่แล้วนะมันเอาใช้กรรมของมันแล้วมันไม่ไปแล้ว มันก็อยู่อันนั้นพระพุทธเจ้าท่านเนีว่าท่านค่าทิ้งท่านไม่เอาแล้วท่านฆ่าทิ้งเส่าแล้วไม่รับต่อยไว้่อยแล้วจะไม่โกรธ ด, ด้วยไม่ขยัย ด, ด้วยล่อยให้สบายแล้วเจ้าจะทำจะเป็นไปลปล่อยแล้วทำไมถึงปล่อยเพราะมันมีคนเลี้ยงเขาแล้วอะไรเป็นคนเลี้ยงเขาท ก, กตามของเขานั้น มันก็เป็นไปตามตามมันก็เฉยบากมันไปของมันด้วยไปเนี่ยมันสบายของมันอย่างนั้นเราก็เรียกว่าแหมมันลาบากเลยคนคนนี้นะมันไม่เกิดไม่เป็นมนุษย์แล้วมันลาบากอันนี้เราคิดผิดไปเห็นตัวจริงตื่มไหมแหมแนงบือื่ะเห็นไหมนั่นตัวจริงตืนะ่นนะมันมีขาหลายขาไหมมีเท่าหลายเท้าไหม เราไปเห็นจิ้งคือมันเดินแล้วก็ลงคานนะแม่ขามันตังร้อยตังพันตังหมื่นตังแสนมันเกจาเราเห็นมันมันก็ดาบากนะไม่เหมือนขาเราขาเรามันสองขาเดินไปง่ายๆจริงคือเห็นมันจะเดินลาบากแต่ความจริงจิ้งคือมันไม่มีความรู้สึกลำบากเลยมันสบายสบายมันอยู่อันนี้จิ่งคือไม่เป็นทุกข์เราเป็นทุกข์กว่าขามันมากมันเจตจะ ถ้ามีสองขาเหมือนเราแล้วมันก็สบายนี่ความคิดเราคิดอย่างนี้ืม้กตรงการตันนั้นเห็นปูนาไปปูนามันตกใจคนเดินสองขาโยกโยกโยกโยกโยกมันยู่งขั้นแชนาย่บนาขนามันกลัวจะล้มแต่มันยกไม่มันคับหมดทั้งอสองขามันทับไว้มันกลัวเราจะล้มทับมันตา มีสองขาเดินไปยกยกยกยกเพราะจะมีจะห้าขาหกขามันก็ยังไม่ค่อยสบายอยู่แล้วอออันนี้มี่สองขาเห็นกับปูไหมมันยกไม่มันค้ำตรงนั้นนอะมันกลัวมันตกใจมันะไล่าวอันนั้นเป็นความโง่ของกระปูตรงนั้นแคะแต่ความเป็นจริงเราก็ไม่เป็นไรนะก็เรามีสองขาเกิดมาเราก็เดินเพราะมันอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เป็นเรื่องของมันอ ย, อย่างนี้อันนี้เหมือนกันเราให้รู้จักตัวของเราอย่าไปทิ้งตัวของเรา ย่าไปคิดในแง่ที่มันจะเป็นทุกข์แหน่ลูกกูเนี่ยทามันไม่หยุดทำมันไม่ฟังแล้วน่ะกูตายไปมันเกิทุกข์มันจะยากมันจะลำบากมันจะอะไรต่ออะไรวุ่นวายอลูกสอนไม่ฟังความแล้ว่ยขายหน้าขายตาอะไรต่ออะไรวุ่นวายคิดในแง่มันทุกข์มันก็ทุกข์อืมจะไปคิดอะไรต่างนั้นตัวสอนความดีให้มันเนี่ยมันก็หมดแค่นั้นเนี่ยสอนที่คนไม่รู้จักมันไม่ยากหมันก็เอากับเรา สอนที่คนรู้อะมันคนรู้ไม่ทำํำเราจะทํายังไงมันเราจะมาร้องไห้มันทําไมยกมือใส่หัวแล้วก็นั่งภาวนาโพโตโโตนีน่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเฉพาะอันนี้นะมันเป็นอย่างนี้ซ้ำท้องตลาดมันเป็นอย่างนี้ในโลกนี้ปุรันตาอัตมาเห็นว่าลูกลูกหลานหานมีสอนมันพอสมควรแล้วนะแล้วจะสอนทุกวนันทุกวันสอนลูกสอนหลานตัวจะูกเราจะไม่ดี ตอนเย็นสอนตอนเช้าสอนเรื่อยๆไปตัวลูกจะไม่ดีไอความเป็นจริงลูกคนนันแม่ไอแม่เนี่ยชู้ชี้ทุกวันทุกวันนะเออตายในสมองผมเนี่ยผมเอาคนชี้สาผมจะแตกแล้วมันไปโรงเรียนกันจะหนีไปเลยมันมาว่าตัวแม่จะบ่นใหเรื่อชู้ชี้มันแต่แม่ก็ยิ่งยิ่งบอกเรื่อยยิ่งเวลาสอนลูกลูกมันยิ่งขี้เกียดรังเกียจหนืดไปสอนมันจนเกินไปในมันดีอ่ะ เอาน้ำเทจะขันโดยสิทเทมากๆมันจะได้รับอยู่มากๆมันก็ล้นออกธนามันก็รับแต่สิ่งที่มันมีในเน่ะเมื่อมันเดือดขันมันก็ร่นทิ้งไปเปล่าเท่านั้นแหละอันนี้เราต้องดูจับจังหวะท่าทีของมันที่จะสอนลูกสอนเรื่องมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามาพ่อแม่ก็ทุกข์กับลูกอย่างเดียวทุกข์เพราะแต่คนโง่คนไม่มีปัญญาอืเท่านั้นแหละมันโง่มันก็ทุกข์รัวหลาย มันเป็นใจอย่างนั้นตัวเรานี่นี่ทุกทุกคนนี่สมัชชิตันเรามีพ่อแม่ทุกทุกคนมีพ่อมีแม่ทุกคนแต่ว่าเมื่อพ่อแม่เราจะตายนี่อยากเราก็เป็นทุกข์แม่มันจะไม่ชวนไหมเนามันจะไม่ลําบากไหมเนามันจะได้กินไหมเนามันจะมีอะไรอะไรไหมเนาะเนีตัวจะตายไป่เราก็ยังคิดกับเขาอยู่นะ แต่พวกเราก็ทุไถไปหาอยู่หากินไม่ได้เั่านั้นแหละมีกินหลักสําคัญมันอตมาบอกว่าหนึ่งมันมีปากต้องหากินกันได้แต่กระท้องมันมีไถ่อย่าไปจัวมันเลยมันมีปากมันมีท้องนั่นหากินได้แต่มันมีหูแล้วก็มันมีตามันฟังของมันได้ที่ตามีแสงกสว่างได้อย่าไปจัวมันเลย อย่าไปกลัวมันเห็นมากคิบจนเป็นทุกข์จนเนกนเิดมาเป็นบาปกับลูกกับหลานกับพ่อกับพัวกับถูกสิ่งสารพัดไอ้ความไปกินนั้นสิ่งทั้งหลายที่ต้องหาไว้บ้านนั่นนหะนะเราจะมีอำนาจแต่จะพาะหารักษามันไว้เพื่อใช้สอนให้สะดวกเท่านั้นแหละเรามันมีหน้าที่มีอำนาจที่จะไปยึดมันเอาดิมันมีหน้าที่จะทํามันรักษามันสะอาดมันเอาไปใช้เท่านั้นแหะ ไม่มีหน้าที่ที่จะเขาไปยึดมันไว้แบบเป็นเรามันเป็นของเราแน่นอนอันนั้นในใจเรื่องของเราแต่รักษาไวา้เพื่อดะใช้ให้สะดวกสะดวกเมื่อเรามีชียิตอยู่เท่านั้นนะ่ะต่จะมีหน้าที่พอไปยึดมันหมดหน้าที่ยึดไม่ได้อย่าไปยึดมันแค่นั้นพระพุทธเจ้าจะให้รู้จักให้รู้จักของทางนอกรู้จักของทางในรู้จักตัวรู้จักตนรู้จักเรารู้จักเขา อ น, นี้เราสร้างลูกขึ้นมาแล้วสร้างทรัพย์สมบัติเกินมาแล้วเป็นทุกข์นั่งล้อมให้อยู่นี่ทำไม่ึงเป็นอย่างนั้นจะหามาทําไมมีหามาทําไมหาแล้วมันเป็นทุกข์มีหามาทําไมเอาทิ้งจะบ้างมันหลายเกินไปรักษาไม่ไหวแจกคนขอทานจะบ้างมีท่ารวยแล้วมันเป็นทุกข์ทุกทําไมหามาแล้วเป็นทุกข์ทำไมจึงไปนั่งให้อยู่อยนั้นทําไมจึงมันเป็นทุกข์ มันเป็นเพราะอะไรนี่มันน่าคิดจะเดตือนนะไอ้พวกเราทั้งหลายนี่บางคนก็ได้ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์อยู่นางลูกนําหลานจระปิ่นกระปองอย่างนั้นแหละให้เข้าใจว่ายโยมเ น, นนะ่ะทุกข์เมื่อไรนั่นแหละตกนรกแล้วเข้าใจไหมอยาให้มันตกนรกธรรมะทุกข์ขึ้นมาเมื่อไรตกนรกแล้วอยากมากหิวสหายเมื่อไรนั่นมันเป็นเปรตแล้ว มันเป็นผีแล้วเมื่อมันคิดลักษณะอาการของจิตของคนแล้วเมือ่อมีโรคป่วยลุขึ้นมาแล้วเราไม่เป็นสุกนาไม่มีความสุกนาไม่มีความสุขมนุษย์คนเรานีมันก่อแผลกอาตมาเคยมีดวกจิตหลายคนเมื่อแรกๆมันจนๆอยู่เออคอยหากินไปเถอะอย่าไปเดินไถ่อย่าไปเดินเบอร์อย่ากจะกินเหล้าเมายาทายาหากินกินเฉพาะข้าวตามอาหารเท่านั้น อย่าไปเที่ยวมันจะรักษามานานมาก็มันทําตามมันไรวยขึ้นรวยขึ้นร ว, วยขึ้นเลยมีขึ้นแต่ลืมตัวะนะกินข้าวก็แม่บ้านทําอาหารนั้นไม่อร่อยกันแล้วต้องไปกินนอกบ้านนู้นกินเบียร์บ้างกินเหล้าบ้างกินอะไรตอะไรบ้างบุญวายกาเอาแล้วอนานนานมากับสามทุ่มสี่ทุ่มมานานนานไปหกทุ่มมานานนานไปตลอดขึ้นไม่มานานนานไปมีเมียใหม่กันแล้วเอา เนี่ยมันหาทุกข์มาเต่ตัวมันอีกแล้วมันโง่เกินไปนี่เนี่ยไอพ่อมีพ่อกินพ่ออยู่แล้วมันมาอยู่ไอความไม่กินก็เมียคนเดียวก็พอแล้วด้วยไงโยมหรือไม่พอเนาะัวคนเดียวก็พอแล้วอาตมาว่ามันอย่างนั้นมันก็พอแล้วอาตมาไม่เคยมีหรือจะว่าพอคิดเที่ยวไปนึกว่ามันจะพออยู่นะ ทำไมถึงทำกันเป็นอย่างนั hmm. um, ้นอยากดีด้วยอยากชั่วกันล่ะคิดจ่มันไมดีเธออันนี้เพราะอะไรคงขาดทานภาวนากะแล้วกินข้าวแต่ก็กินอาหารแต่มันก็พอแล้วเอออย่างน้อยสตรูปุดีใช่ไหมสตรูปูดีใชเดี๋ยวไปกินเล่ามา่นี่เอาอรามากินกะนแล้วกินเล่ามากินเหล่าก็กินนน้นแล้วก็กินนี่แล้วกินนน้นกินนี่เนี่ย กีหนึ 1, ่งกีสองกีสามเอไอมาแล้วอื ม, มาทุกประตูเขาตั้งตั้งเ อ, อแม่ว่านก็ตั้งข่าวเลยใ้ท่านก็โกเป็นทีแต่แล้วทนะ่านก็ตั้งข้างในแต่แล้วเนื <c oughs> ้อทะเลาะกันเท่านั้นแหละมันมาไม่มีเวลาเนี่ยเนอาละเนี้ยพูดกันสานวันสีวันไปเถอะอยู่ไปเถอะ <c oughs> มันตกนรกทั้งนั้นน่ะไม่ใช่มันทํำมาความถูกหลอกมันตกนรกกันทั้งนั้นแหละนีะ เราจะทิ้ง ท, ทางหนึ่งสั ก, กทิศไม่ได้จะมีลูกทั้งนู้นกระทรวงนั้นว่างกระทรวงนี้ว่างเงินมันก็น้อยนะไปทั้งน้นก็เอาห อ, อกแทงมาทั้งนี้ก็ห อ, อกแทงไปทังนั้นก็ห อ, อกแทงก็คิดว่าแม่เราตายดีกว่านะไม่คนจะอยู่ไปแล้วนี่นะนี่มันใครทาให้เรานะอือมันใครทําให้เราคนไม่ดูจกทุกข์มันผลทุกข์ไปเจ็บฟ้องทั้งนั้นแหละอันนี้ดาศาสตร์ทางนอกคนศาสตร์ป่า มันในศาสตร์ขึ้นมันเขาตกซ่ามันก็หวานต่าการไเนมันทุ่มมันศาสตร์ที่เขานิปาสนี่ยนั่นในศาสตร์ตีศาสตร์มันต่อมันจะศาสตร์ตัดอันนี้น่าควรพิจารณาเรามันเป็นยังไงก็เพราะการฟังคำไม่รู้เรื่องไม่พิจารณาว่าท่านว่าอะไรพูดเหตุผลว่าไอ้ความทุกข์เกิดมาเนี่ยมันเพราะอะไรมันไม่ทุกข์เกิดมาเฉยๆเนาะมันมีเรื่องทุกข์เกิดมาทีเดียวเนี่ ค้นหามันมันทุกข์ที่ไหนมันแก้ที่นั่นทุกข์เพราะลูกมันสอนยากนี่อ๋อมันทุกข์ตรงนี้นะอเราจะทํำยังไงแหละมันสอนยากถ้าสอนมันมันก็ไม่ฟังมันก็ยากอยู่อย่างนี้จะทํำยังไงเร้จะตายอยู่อย่างนี้หรือเราจะทุกข์อยู่อย่างนี้หรือก็คล้ายกับคนเราคิดถึงคนที่ตายไปแล้วนั่นะ คิดแล้วมันก็ตายไปแล้วจะคิดยังไงอีกจะให้คนนั้นเกิดมาอีกให้มันคืนมาอีกยังไงหรือเึืจิใจสบายคิดไปมันเป็นไปไม่ได้เออคนที่ตายก็ตายไปแล้วนะสิ่งที่มันร่วงมันแล้วมันก็ไปแล้วโลกนี้มันเดินเข้ามาอยู่อย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็หายไปดับไปมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ดูจิตใจเราไหมเลี่ย เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมานะมันโกรธอยู่กี่วันให้มันโกรธที่ใหญ่มันกินข้าวดีไหมจะดีไหมนี่มันก็ดับเหมือนกันเมื่อความรักเกิดขึ้นมามันจะรักกี่ชั่วโมงนะอให้มันรักอยู่นานๆแต่ทีนี้มันก็เสียดอีกแล้วนีมันเกิดยังไงสุขเกิดขึ้นมาเราชอบมันสุขให้มันตั้งอยู่จะไม่ได้ตั้งอยู่นานทลายเรียสุขมันก็หายไปอีกแล้วทุกข์มันเกิดขึ้นมาอีก เด็กกรทุกมันก็ตั้งอยู่ให้มันตั้งอยู่นานๆที่ทุกมันก็ไม่ตั้งเนี่ยมันก็หายทุกไปอีกมันก็ฉุกแล้วมันก็ทุกทุกแล้วก็ฉุกหมุนไปหมุนมาอยู่อย่างเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่เด็กก็ดับไปมันเป็นเพาะมาอยู่อย่างเนี้ยเราก็ไปวิ่งตามมันอยู่อย่างเนี้ยละวิ่งอยู่อย่างเนี้ยวิ่งแข่งเครื่องบินครับเครื่องบินมันบนในวิญภาณนั่นน่ะเราวิ่ง ตามถนนตามยินวิ่งแข่งมันเนี่ยเอายังงั้นเนอะมันไม่ทานมันหรอกอันนี้เราต้องควรคิดว่าอันนี้คืออะไรอะไรเป็นอะไรเราไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันเป็นอะไรตัวเรานี่เป็นอะไรผัวเป็นอะไรลูกเป็นไรสิ่งของเป็นอะไรมันเป็นอะไรเนีมันมีอะไรไหมไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายแล้วนั่นนี่แต่สิ่งโกหกหลอกลวงเท่านั้นแหละฉะนั้นเยอันนี้ของเรานะฉะนั้นเนี่ ท่านให้ว่าของเราอยู่พระพุญายไปยึดมันมันหายได้ก็มันเกิดอยู่อย่างเนี้ยไอตัวเรานั่นถ้ามีความสุขแล้วให้มีสุขเรื่อยๆถ้ามีมาแลกเป็นต้นไม่อยากให้มันหายไปนะถ้าได้ความชอบใจมาแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นลูกเกิดขึ้นมาถ้ามันมีความสุขแล้วให้มันอยู่อย่างนั้นใหญ่จะเปลี่ยนเลย เ, เกิดมาเลย่าตายเลย น, นะอใหญ่ๆง่ายๆๆตายในกันไว้ ลองลองคิดดูว่าธรรมชาติของมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันตั้งแต่ตั้งโลกนี้มาแล้วอมอมลองลองจะหายหันใจเข้าไปอยากอาออกจริงอยู่ได้ไหมหายหายใจออกไปอยาามัเข้าเนอยู่ได้ไหมนานไหมเมันอกระโดหายใจเข้าหายใจออกเป็นเรื่องธรรมดามันอยู่ไปได้เพราะอันนี้ชีวิตของเรามันเป็นอย่างนี้โลกนี้นี่เกิดตั้งอยู่เราหับไปเกิดแล้วเกิตั้งอยู่หับไปเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนี้ มันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันเป็นอยู่ของมันอย่างนี้เราทุกคนคนนี้เหมือนกันเพื่ออยู่รวมกันในนี้อีกวันหนึ่งเมื่อต้องแยกกันไปอยู่ได้แล้วจะไปร้องไห้จะไปเป็นทุกข์อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราสนใจในธรรมะอย่างนี้แล้วเราก็สบายใจทนานั้นแหละอย่างนั้นก็ตกนรกอยู่กับทางวันเนี่ยเอาลองๆดูก็ได้แต่ไม่รู้จักนรกอืมันเป็นเป็นนั้นแล้วก็พยายามหาสิ่งที่มันยุ่งขะมันคิดมา ทำมันเป็นทุกข์มาเออหนึ่ควรทําให้เราอย่างนั้นหนึ่งคนทำให้เราอย่างนี้นึ่คนงนคนเป็นอย่างนั้นเน่ยนะอะไรแบบไปไปพูดเป็นเรื่องใส่ใจเราจะเป็นทุกข์แล้วนะเรื่องอะไรเป็นทุกข์กนั่งคิดผลมาใส่ใจมันเป็นทุกข์เงินหนังตากา็ไหลเนี่ก็นอนไม่หลับตื่นตัวโรคประสาทแค่นั้นเองแหละมันจะยากอะไรแล้วปฏิบัติธรรมมันจะเป็นโรคประสาทอะไรมาพูดกันพอสมควรแล้วนะ อือย่างสามีจะไปมีเมียใหม่บอกแล้วก็เลิกแล้วเอาไปเถอะไปนีเจ้า้าเมียสิเมียกันไปเถอะแล้วนอนในมุ้งเราสบายเท่า น, นั้นแหละไปเถอะอือมก็ปล่อยให้มันเสียมันจะหายไปที่ไหนดอกเบี้ยก็นหนีจากกันไปเท่านั้นแหละเขาไม่เอาไปต้มไปแกงเรายังเหลืออยู่ที่เตมามันนั่นแหละอืมยึดจะไปกลัวมันได้ย้ยายมันหมดได้ไปคิดทุกข์คิดยากคิดลำบากมันทําไมเนี่ยดูธรรมะนี่จะโหมดหรือมันไม่หมดหรอ ไม่ตายน่ยตายแล้วมันหมดล่ะไปคิดทำไมคิดให้มันเป็นทุกข์ก็ต้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่ามันกระพุนทุกข์นี่เรื่องก็มาคิดว่าเออไม่คนบ่ายเราอยางนั้นไอ้คนคิดอย่างนั้นแต่เราหนีคนทำาะนี่มีแต่ร่ววนอนคิดเป็นทุกข์เดินหมดคิดให้มันทุกข์คิดต้องคิดให้มันหายทุกข์คิดให้มันหายทุกข์คิดให้มันแก้ทุกข์ให้มันได้มันหายทุกข์นอ่ อย่างนี้เดียวว่าเราภาวานามันจะหายทุกข์ไอการที่ไม่มีทุกข์นี่เป็นลาภอันประเดินแล้วโลกอนันนี้ถึงแม้ไม่มีอะไรมากก็ตามมันเะไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์นี่พระพุทธเจ้าเราต้องการ น, นี้มีปฏิบัติบูชานี่นพรรษานี้กลุ่มพันศให้ญาติโยมทั้งหลายพากันคิดอย่างนี้พากันภาวานาอย่างนี้อย่พ า, ากันภาวานาให้เอาทุกข์มาใจใจของเราให้มันเมื่อทําได้เดียวนี้ก็ไปสวรรค์เดียวนี้แหละ นิพพานกา่อสร้างเอาเดียวนี้แหละก็เราบอกกันแล้วพูดกันแล้วเอโนอกันแล้วอย่างนี้แล้วก็ไม่หยุดจะก็จะทํำไงต่อไปอาตมาเห็น ม, มันง่ายที่สุดผู้คิดอาตมาเหมือนกัน ส, สอนอย่างนี้สอนอย่างนั้นอาตมาก็ยิ่งสบายใหญ่เลยเกี่ยไปทางนอกเดี๋ยวเอาไปเออจะไปยังไงก็ไปก็เขาไม่เอากรเราแล้ว เราก็เลิกขท่นั้นแหลมันก็สบายกันใปท่นไเอะบอกแล้วพระพุทธเจ้าตก็เฉด อ, อย่างนั้นเรานี่จะต้องเอาไปเ ห, หมดัดนะเอาสังราคมันเอาสังเถิมันเอาสังแสบมันเอามัดทุกอย่างไม่ต้องทิ้งทกอย่างเอาเห็มดทุกอย่างเนี่นนอนอ ย, อ, อ, ยอย่างนั้นเราก็ดูนี่มือเราสิมันจะมือกันไหม อันที่มันนิ่วมันสั้นนี้ไหมนี่วมันยาวมีไหมตัดซะทีตัดให้มันเสมอกันอย่างตัดเนี่ย <Gym. Napoleon> นี่เราจะไปดึงน en? ิ้มือมันให้มันมาค้าแก้กันเนี่ยมันจะเป็นเปรตดึงนิมือเลยใต้ยเป็นเปรตจะให้มันเป็นอย่างนี้ไงมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เแล้วโดยมากก็ไปมองจากคนอื่นทั้งอย่างเ้าเป็นอย่างนี้เ้าเป็นไอตัวเราไม่มองตัวเราเป็นยงไงบ้าง บางทีไม่ในใครมาขวนเราแล้วก็คิดขวนเราเองเข้าแล้วก็เป็นบ้าเพราะเราอไม่ในใครโกหกแล้วก็โกหกใจเราเองอีกจนเยอะแยะไปแต่ในรู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยให้รู้โลกการฟังธรรมให้รู้จักโลกเราอยู่กับโลกโลกที่ไหนไม่ใช่โลกคือแผ่นดินโลกคือมูชาตนินี้โลกคืออารมณ์นี้ที่มันยั่วยวนอยู่เนี่มันเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้เป็นทุกข์เพราะความคิดของเราคิดผิดมันก็เป็นทุกข์ คิดถูกคนก็หายทุกนี่เดยกภาวนาตรงนั้นแหละไอ้สิ่งที่มันเสียไปหายไปไรเกิดมาเด็กจะเอามันซะจทิที่มันหายไปอะมันไปฮะแต่แค่นี้มันก็แล้วกันไปอดีตสิมันร่วงไปแล้วแต่มันไปซะอนาคตแข่งมันยังไม่ว่าถึงอะมันไปนั้นแหละแล้วก็ทํามันไปอย่างนี้แก้ปัญหาในปัจจุบันนี่เรื่อยๆไปอย่างนั้นมันก็เป็นพระแต่มันก็สบายแต่เอี่ยเดียวๆจะเอาสินทั้งหลายมาเนี่ยเขาเป็นนหลวงอยู่อ้เา อยให้ต้นไม้ในป่าดิให้มันใหญ่เท่าๆกันเสมอทุกต้นยังไงเยอะให้มันยาวๆทุกสสตน้นเสมอการยังไงให้มันตรงทุกต้นยังไงนี้เราจึงจะสบายใจหรือจะทํำยังไงก็ต้นไม้ต้องจะเป็นอย่งังไงเนี่ยถ้าเราฉลาดแนี่ยเป็นต้นต้นเราไม่ชอบเราก็ไม่เอาแล้วก็ตัดเอาต้นมันตรงมันยาวพ อ, อต้นโคตรๆมันจะไปให้โคตมันแต่มันเป็นอย่างไงใ น, นป่า อันนี้กหมือการมรรคภาวนาในโลกนี <y <y ่ให้รู้จักโลกโลกวิตูรู้แจ้งโลกโลกก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะอย่างอื่นเลยคิดไปมองคนอื่นจะให้โทษคนอื่นจะให้คนคนอื่นซะเมื่อมาถึงเราแล้วน่ะบางทีมันเกิดโลกขึ้นมานี่ล่างตายเราส่วนนี่เอาแล้วสิเนี่ยยังไม่มองเห็นเลยว่ามันจะเป็นนี่มันจะเป็นไข่เห็นไหมมันจะตายซะอย่างเนี้ยไม่ได้มองเห็นจะมองคิด นวดตะเปงงมทั้งนอกเด่นมันทุกข์กลับมาบ้านแเราก็เป็นทุกข์ออกไปทางนอกก็เป็นทุกข์ไม่มีที่อยู่เลยเกิดมาแบกเอาทุกข์เกิดมาตกนรกบ้านหนังใหญ่เราสร้างขึ้นมานั่นน่าจะนอนในมันสบายของเกี่ยวหามานั่นมันได้อยู่เลยกินน่าจะกินเนี่มันอร่อยอันนี้กินทางน้ำหูน้ำตาน เ, นนเนี่ยเออเปรตทั้งทั้งเลย มันกินอย่างงั้นจิดผมเรามันเป็นเศษนั้นน่ะน่าจะกินเนี่นมันสบายสบายอันนี้ี่อันนี้หาห า, าพอได้อยู่ได้กินนะบ้านสร้างอยู่พออยู่พอกินได้ก็ได้ยังอยากจะอะไรอีกไม่รู้ยิ่งควนกันยิ่งอะไรต่ออะไรกันวุ่นนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าสันเรียกว่าเด็กน้อยมันไม่ได้จับภาษาถ้ามาเด็กน้อยนั่นอ่ะก็เรียกว่าจิต มันไม่เห็นธรรมะหยิบมันไม่รู้ธรรมะอะทุกคนอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนี่ถสมันกานณ่ะ <_ S 1> นี่อย่าพึ่ง้าใจว่าเราโตนะ <_ S 2> เป็นเด็กตัวมีนะ <_ S 1> ยังไม่โตนีก่ก็เป็นเด็กคือไม่รู้จักธรรมะใจไม่สูงใจไม่เห็นเกลียดใจไม่พ้นความรู้ความปวดความหลงเหมือนเป็นเด็กอย่แค่นั้น <_ S 1> แหละเพราว่านิดหน่อยก็งอไปเสีย อืมไม่พอใจของก ร, ระทรวงเพียโกที่ทนเลาะกันวุ่นวายกันนี่เป็เด็กตรงนั้นแหละนั่นท่านพระพุทธเจ้าท่านว่าเด็กหรือว่าเยาวชนไม่ใช่คนแก่แต่พูดเรื่องสบายใจของเป็นคนแก่นะพ่อมันเกิดมาเก็บทีที่ปปปปปปแปรทิศที่เองนี่มันเกิดที่หลังข่านถ้าเห็นฟ้า เจ้พวกเธอทั้งหลายเห็นก่อนแล้วก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าบอกคนเห็นฟ้าก่อนเพื่อนน่นนี่มันดีนะคนเห็นฟ้าก่อนเขาหนนี้มันดีนะไอสุนัขไอเดือนเศร้ามันแง้มหน้าเกินหนอนโอ้ยังมีมันก็เห็นฟ้าหรอกสุนัขนี่จะดีแบบไหนที่จะไปเห็นฟ้าเห็นดินไอเที่มันเห็นตัวของเรานี่น่ะพระพุทธเจ้าส่างนต์นเะนะัเสือน่ะคนจะเห็นตัวของเรานี้ นี่แ่เนี่ยคนโตคนใหญ่อืคนมีราคาคนรู้จักจะเกิดมา20ปี30ปี20ปีก็เด็กโตแล้วโตทางธรรมะรู้จักทางหน้าทางหลังรู้จักโลกนี้โลกนั้นรู้จักอานิจจังสุกตังอนาคตารู้จักความเป็นไปของมันอย่างนี้มันจะพอเป็นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์เพราะไม่อาทุกข์ไม่ใส่ใจของเราเพราะเห็นว่า ทุกมันก็แค่นั้นแหละมันไม่ติดต่อกันนะทุกวมื่อนี่หลายปีหลายเดือนเน้่มันก็หยุดไปกต่ทุกเกิดขึ้นมาอีกแต่ทุกมันก็หายไปแต่ทุกเกิดขึ้นมาอีกก็ช่างไม่ดูมันนะพวกเราเลยนะบางทีกระทุกจะน้องไห้มันก็หายไปแล้วมันเป็นทุกข์ก็น่าจะจดจําไว้ถ้าถูกอารมณ์อีกก็ร้องไห้อีกเป็นทุกข์อีกเอาทําไมมันไม่จดจําไม่มันดีหรือชั่วมันถูกหรือผิดมันดีหัรใจลรขนาดนี้อีก ต่อไปอีกอารมณ์ไม่ถูกอีกก็ร้องไห้อีกเป็นทุกข์อีกไม่รู้ว่าจี่หนนพันหนอนธาตุหนึงจะไม่รู้จากว่าอันนี้มันเกิดมาเพราะอะไรอื<ม>ก็เลยเป็นธาตุของมันเรื่อยไปมันบอกให้ให้ก็ต้องให้มันบอกให้หัวก็ต้องหัวมันบอกให้ยิงก็ต้องยิงมันบอกให้โคตรก็ต้องโคตรมันบอกให้โกหกก็โกหกอันนี้มันธาตุของตาหาแท้ๆพวกเราเนาะ เป็นตัวเป็นตนโยมันจะยืนตกมือเลยมันเนี่ยาตดีเดียวเกินบอกให้ให้มันก็ให้บอกให้หัวมันก็อ๋อบอกให้ยิ่งมันก็วิ่งบอกให้นอนมันก็นอนบอกให้โกรธมันก็โกรธบอกให้ทุกข์มันก็ทุกข์นะถ้ามันเป็นตัวเป็นตนมันจะยืนตกมือเฮ้ยเฮมันเนี่ยธาตดีเดียวเกินพูดอะไรฟังความมันตรงนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้นี่แหละแก้อะไรด้วยธรรมะไม่ต้องไปแก่สิ่งอแก้จิตของเจ้าของเองว่ามันเป็นอย่างนั้น อะไรเราหามันมานะบ้านเราสร้างมันมานะไอ้ควายเราหามานัานามานะเงินเราหามันมานะอะไรเราหามันมานะหามาเพื่ออหไมันเป็นสุขทําไมถึงหามาเพื่ออะไรเจ้าของทุกข์นี่มันเป็นอะไรือมันเป็นอะไรมันเป็นพ่อปลูกบ้านในปลูกวันมันเถอะปลูกบ้านมันวันไม่ดีต่อมั้งนะเดี๋ยวไปหาลวงพ่ ว่านอี่ฉันนะแหน่ไม่ค่อยถูกกันก่อพ่อบ้านเลยมันทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะไอ้ฉันสงสัยว่าบ้านนี่ถูกันไม่ถูกดื้อมันนะดื้อมันจะไม่ดีนะเออมันเป็นเพราะนั่นเนี่ยอืมเห็นไหมไม่ดีเลยไปหาดูหมอสิดูไปเถอะเออไอ้หมอเขามาสลอกเพราะไงซะแต่ตรงนั้นมันเป็นยังงไนตรงนี้มันเป็นอย่างนี้พอมาทะเลาะกันมาหยุด เพรพอเห็นไม่ไม่เห็นเพราะมันแก้ในผูกขี่มันมันก็เป็นกับพ่อบ้านแม่บ้านนั่นแหละเพราะนั่นแหละพ่อเพราะแม่เคราะมันจะตรงนั้นมันพูดไม่รูเรื่องกันอืถ้าบ้านเป็มันหัวเป็นมันจีว่าเฮ้ยไปโทษมันมันนะใช่ไอความจริงเราทะเลาะกันน่ะมันเป็นแ้่อย่างนี้แต่เราก็ไม่มองเห็นเราเราผิดไปมองเห็นว่าเขาโนู่นผิด เขาถูกอยู่ไปมองว่าเขาผิดเราผิดไม่เห็นความผิดของเราไปมองว่ามันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นเพราะอันนี้มันเป็นเพราะอันนั้นมันเป็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เรียกว่าคนไม่มีที่พึ่งไม่มีหลักธรรมะที่จะตัดทินใจของเราใจของเราเคยเมกลาตัดทินไม่ได้คอยไปตามอารมณ์ใครว่าอย่างนี้ก็ไปตามอย่างนั้นคนว่าอย่างนั้นก็ไปตามอย่างนี้ทุกอย่างเป็นอย่างนี้อือ บางทีบ้านนังอย่างไม่ได้อยู่บ้านนี่อยู่ไม่ได้ครับบางทีเขาไปบอกคนโน้นคนนั้นจะไปซื้อบ้านนังนี้เราจะไปดูหมอให้บ้านนังนี้ก็มาให้โทษเป็นเพราอยู่ไม่ได้ครับคนอยู่บ้านนังนี้ไม่ได้อีกต่อไปนั้นวันนั้นพอบ้านตายต้องปีน่นแม่บ้านตายทิ้หไม้หมดคุณต้องตายใต้เนื้กว่าไม่สบายจะแล้วไม่สบายไปที่ไหนก็วายงั้นแหละต่อเป็นเพาะจะแล้วขายบ้านนะโน่น นาก็มันการสามวันนอกนานอยู่ไม่ได้แหละเก็บทําไม่ได้อยู่ไปต้องขายต้องขาย<ม>เป็นต้น้ายนาดีๆีหมดนะไปชื่อเอานาสีดินสลายคนน่ะนาดีนาดีดีสวยๆนาดีดีมีข้าวมีปลามันเผ็ดทั้งนั้นแหละไปชื่อเอานาสีดินสลายเออหมดเคราะเลยจริมันเป็นแค่อย่างนั้นนะคนมีที่พึ่นที่พาอาศัยนั้น เห็นการฟังธรรมอย่ามาฟังเฉยๆฝ่ามันจีตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเราจะอยู่กันก็พ่อบ้านแม่บ้านแล้วไม่อยู่กันไปสองวันสามวันนะเม่อยู่กันเป็นตลอดชีวิตเพราะเราจะอยู่กันไปแต่แล้วะเป็นต้นใส่ยาอยู่กันเพราให้มันทะเลาะกันจะไม่จะมีความสุขอะไรมันนั่งอยู่ในกองไฟเหล่านั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยให้เราพิจารณาวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญจะมาอธิบายธรรมะตัดรัดไป ในเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งทั้งหลายทั้งควงมติดเป็นวิีดีต้องอันนี้เป็นวันพระด้วยนี่บ้านเราบ้านเรานี่ยก็เข้าใจกันว่าอ่ามันไม่รู้จักวันพระวันเทนถ้าไม่รู้จักวันพะวันเทนกนะ็ว่ากันนะอัตมาก็ยังไม่รู้จักว่าคนไม่รู้จักวันพระว่ามันไม่ดีทนาดนั้น ที่นี่เมื่อไปเมืองนอกมาเขาไม่รู้จากวันพระอ่ายิ่งดีมาทุกวันไม่รู้จากวันพระพอตอนเย็นมาออกจากทำ ง, งานมานั่งกรรม า, ทานทุกวันถ้าไม่รู้จากวันพระดีพวกคนมีวันพระอีกเออัตมาก็เพื่งรู้จักขึ้นไปมานี่แหละวันพระไม่รู้จากวันพระแต่เขามาทุกวันโดยเกิดเป็นคนถูกต้องดีคนคดูจากวันพระนะ แปลกเมื่อสารเอ้ยอย่างเนี้แต่มาก็ไม่รด้คิดท้งเราว่าไม่รู้จักบันทามันเป็นเปรตเป็นผีไม่รู้จักบันทามันเพนอะไรต่ออะไรวุ่นวายว่าอะไรไปนะอืมไปถึงภูมิมณฑลเขสุธสมาถานเนี่ยเขาเขามาทุกวันบันทามันีเลยได้เลยได้ดีกว่าคนรู้จักบันพระอย่างนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้นะมันบังไว้เราไม่เห็นเมื่อไปเห็นแต่เขาดีทุกวันอืนางพยาบ า, ป า, ปาลปกติโรงเรียนปกทําการทำงานได้ เลือกงานมากินท้าวกินฟานรถบุกมานั่งก็มาทานทุกเลยประมาณสองทุ่มสามทุ่มตับทุกวันไม่ต้องการวันพะเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันอาจามาก็เพิ่งเรียนมาใหม่ๆเพิ่งรู้จักก็เลยมาบอกญาติโยมเลยวันวันนี้วันพระจริงๆแต่ก็ดีเหมือนกันมันมันมาทุกวันทุกวันเนี่ยมันเป็นซสอย่างนี้ดังนั้นพวกเราทังหลายนี่แหละฟังคำไม่ค่อยเข้าใจกันอ่า ฟังชาำไม่เข้าใจกันแต่แต่มันจะพูดยากนะอะที่เขาเข้ามาแล้วยเขามาม า, มานั่งกรรมฐานหนึ่งเงียบไม่มีพูดมันแล้วแตมาไปในถึงสองอยันคนไม่มีที่นั่งเนี่ยเต็ไม่มีใครไปฟังจะชี้แจงเขาฟังนั่งกรรมฐานกันาาเรียบร้อยศีล น, นี่ไม่ต้องไปสอนเขาแล้ยเรียบร้อยและศจัดการว่าศีลตามนี่ไม่มีใครไปทํามันแต่รอกกระจายกระจายหากินกลางวันเนี่ย เ็มจบๆเก่งๆจะตามอลยบ้านนอกบ้านนาเราบ้านเรามัน huh> ก็เอาหัวมันไปฟักไปขีดขีดม anyway> ันมดแ่มั่มีเอะหลายบ้านแต่มาหากินตั้งแต่มนนี่กยางมืสับว่าก็ยังไปค้านหาห้อยมันนึงห้อยกระจายมันสิไงปัญหาอยู่เลย ทำเพื่อจาดการเนื้อเพื่ออะไรมาอยู่ว่านอนงูให้มาท่ายิยงนะบางท่านที่โก่งแดดหาห้อยกระจายยืนโอยมีจมินตนากรเจ้าเนาะบนเตย่อกเขาบนห้อยตัวเตะนอนอว่าจะเขาร้อนนี่เี๋ว่าะสันจะเอาเกียงมาฝักกันไรเอาให้บ่าตัโตววนจะกระจายเหนมีอยู่ในเมืองขีบ่อไรเห็นขีม่มาหน่อยเอาายโดย แเด็กธรรมธิยากระบ้านเท่านี่ตากันนลาอะไรเขาถามอตาตมาว่ามหาวิจัยถามว่าท่านอาจารย์เมืองไทยที่เป็นเมืองพุทธศาสนานี่เขามาปฏิบัติกันนั่นเขาหวังพระนิพพานหรือเขาหวังอะไรนี่ยเขาเนึกว่าเราจะหวังพระนิพพานทุกคนเลยเรื่องศีล น, นี่นึกว่าเขาว่าจจะ ม, มีอะไรแล้วไม่เป็นปัญหาแล้วอตาตมาก็ลาจจะตอบเขงเหมือนกัน จุดสักจะไปพระนิพพานนั่นแหละแต่หน้ามันจะไม่ถึงมหรือมอ้งจะหาสวรรค์นี่ก็ายากหามนุษย์นี่ก็ายากโดยมากหานรกกันหานรกกันหลายกว่าสวรรค์หลายกว่ามนุษย์ทะเลเปลี่ยนทำไมถึงเป็นอย่างไนเนี่นเยเมืองไทยจะเป็นรักพุทธศ า, ส, าสนา จ, จะไปพระนิพพานมนุทุกคนก็หาไม่อ่ะลุกจิตของคุณนั่นมันดีทุกคนไหย ม, มันตั้งใจเรียนทุกคนไหม มันคารพบูตัวคนไหมก็อย่างนั้นเหมือนกันโอเคตัวเสียงไว้จะทํำยัำยงไงก็อย่างนั้นเหมือนกันจะนีเมื่อเนื้อแข็งถูกต้องการธรรมดาจริงๆแล้วว่าดาวตะวันนี่นะก็ให้ฟังธรรมก็ฟังธรรมไปโดยธรรมดารักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นนั่งภาวนากันกสอนนั่งภาวนากันฟังธรรมก็ฟังไปอย่างนั้น จะเอาจริงจจังๆนั้นน้อยที่สุดถึงอาตมาเลยคิดว่าบ้านเรานี่นะอาตมาจะมาสอนอยู่นี่นถึงยี่สิบสามษาแลวนะสอนธรรมะดีนี้ทั้งห้นนานาเมื่ออาตมาคิดไปแล้วคิดไปแล้วนะทุกวันนี่ค่อยๆกับมาเ้าแห้งราหมกูดก็ขูดเอาเนื้อมันหมดนานแล้วเดี๋ยวเนี่ขูดจะกรามัน